50 languages. 80. a คคุณศัพท์สวิเศษณ์0เธอมีสุนัขหนึ่งตัวสุนัขตัวใหญ่ คุณตาวัเเธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว้เดกโกาคุณตเหเธอมีบ้านหนึ่งหลังอคบ้านหลังเล็กคันเล็กเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งโอ้เอกโฮเทลวิชรนดาเอโรงแรมราคาถูกโฮเทล ส, สตาเเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกโอ้เอกส ต, ต้ตโฮเทลวิชรนดาเหเขามีรถหนึ่งคัน อุษดกโอลอีกคกัรถราคาแพงกัตติมหงีเฮ่เขามีรถราคาแพงหนึ่งคันอุษเดกโอลอีกมหงีกัตติเฮเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องโออีกนวนิยายหน้าเบื่อ นวนนิรุสสเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องโอ้เอกรุนิรุสส์นวนิยายพเียหเธอดูหนังหนึ่งเรื่องโอ้เอ็กซ์ฟิล์มเด็กรหนังน่าตื่นเต้นฟิล์มดิลเชสปหเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง